173. ปาตลิคามวัตถุว่าด้วยชาวปาตลิคามถวายที่พักเรื่องทรงรับอาคารพักแรม 285. ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกกรุงราชครืตามพระราชอัธยาศัยแล้วเสด็จไปทางปาตลิคามพร้อมด้วยภิกษุ จำนวน 1,250 รูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปตามลำดับจนถึงปาตลิขามอุบาสกอุบาสิ ก, กาชาวปาตลิขามได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาถึงปาตลิขามแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้ว ได้ถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิ ก, กาชาวปาตลิคามเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้ากล้าปลอบโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกระถาครั้งนั้น อุบาสกอุบาสิ ก, กาชาวปาตลิคามผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้กลาปลอบโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาค พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับอาคารที่พักของพวกข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพครั้งนั้นอุบาสกอุบาสิ ก, กาชาวปาตลิคามทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้วพากันเดินไปที่อาคารที่พักปูลาดอาสนะทั่วอาคารจัดอาสนะตั้งหม้อน้ําตามประทีปน้ํามันแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพวกข้าพระองค์ปูลาดอาสนะดาดเพดานทั่วอาคารที่พักจัดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ามันไว้แล้วขอพระองค์ทรงทราบเวลาอันเหมาะสมในบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศกแล้ว ทรงถือบาดและจีวรเสด็จไปที่อาคารพักแรมพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงชำระพระบาดแล้วสเสด็จเข้าอาคารที่พักประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกแม้ภิกษุสงฆ์ก็ล้างเท้าแล้วเข้าอาคารที่พักนั่งพิงฝาด้านตะวันตกผินหน้าไปทางทิศตะวันออก ห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคแม้อุบาสกอุบาสิ ก, กาชาวปาตลิคามก็ล้างเท้าแล้วเข้าไปอาคารที่พักนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกหินหน้าไปทางทิศตะวันตกห้อมล้อมพระผู้มีพระภาค